ล้วเธอจะกลับมาทำไมเธอมาเพื่อบอกลากลับมาเพื่อตอบย้ำว่าฉันไม่ใช่กลับมาทำให้คิดถึงสุดหัวใจเพราเธอช่วยกัน เธอกำลังเริ่มใหม่แล้ววันนี้เธอทันไม่จึงกลับมาหากันมาทำไม่รู้สึกว่าสำคัญที่เราเกิดความสัมพัญธ์พฉันเริ่มคิดไกลก็กลับไปหาเขา จะลืมเธอมันยากรู้ไหมแล้วเธอจะตามม ครั้งที่เธอเคยบอกตอนที่เราเคยกอด oh เธอจำการเคยซ้สำเธอซ้ำเธอแต่ทำไมแค่คิดว่าเร า, าสำคัญสำคันจำได้เพียงจะจำเธอเรือเ่องลันไปทิ้งไว้เพียงในใจคงล้มเรลวแต่ไม่ซ้ำซ้ำแล้วเจอเธอ ได้เห็นว่าเธอกำลังรำไร